ีวันหนึ่งคืนหนึ่งวันนี้ตรงกับวันที่หกเดือนตุลาคมพศสองพันห้าร้อยห้าสแปดชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งวันนี้ก็จะพูดเรื่องตัวตนนะ <Yeah. S 1> ก็พูดเฉพาะที่สำคัญเรื่องราวในปัจจุบัน ก็จะย้อนถึงตอนที่มีหมอจีนสองท่านมารักษาผมท่านหนึ่งมาจากไต้หวันเนี่ยเคยมาสามครั้งแล้วและอีกท่านหนึ่งก็มาจากกวางโจ อันนี้เพึ่งสมัครใจมาครั้งแลทั้งหมอสองท่านเนี่ยมีวิธีการรักษาที่ต่างกันมากแต่ว่าทั้งสองท่านเนี่ยเวลารักษาเนี่ยก็ถ้อยทีถ้อยสายกัน่วนที่ท่าน เท่ากับเป็นอาจารย์หมอทั้งคู่เลยต่างฝ่ายต่าก็มีชื่อเสียงในมณฑนของตนเองแต่ก็เวลารักษาเนี่ยทขคุยเย็นแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยโดยเพาะท่านที่มาจากไต้หวันเนี่ยซึ่งเป็นผู้อาวุโสกว่า แต่ว่าท่านฉลาดนะรู้จัก่อน้องถมตนพยายามจะเรียนรู้กับหมอท่านหนึ่งที่มาจากกว่างโจ้ท่านพยายามเรียนรู้แต่ท่านก็เคยบอกว่าหมอที่มาจากกว่างโจเนี่ยเวลารักษาคนไข้ทิเ่ย ส่วนมากจะไปเจอคนไข้ที่มีกิเลสมากเป็นทุกข์มากทั้งกายและใจบางทีก็เป็นผู้ที่มีหนุนท้องมากมายโดอเวลามารักษาเนี่ยหมอนี่ก็ดูแลถึงที่จะสุดท้ายแล้วหลังจากการรักษาผ่านไป คนไข้นี่ก็หายนะอาการต่างๆก็หายไปเพื่ออาการดีขึ้นไปแต่คุณหมอท่านเองรู้สึกไม่สบายไม่สบายเป็นหลายวันอันนี้เกิดจากพลังชีวิตที่มันเสียไปกับคนไข้คือป้องกันตัวเองไม่ได้ ในเวลารักษาทุ่มเทคารรักษาให้กับคนไข้แต่ว่าตัวเองจะต้องเดือดร้อนต่างกับหมอไตหวันหมอไตหวันนี่ซึ่งเป็นผู้อาวุโสกว่าถ้ามีวิธีการดูแลตัวเองแม้แต่คนไข้ที่แต่และคนมาเนี่ยหรือที่ท่านไปหาคนไข้ ระดับผู้นำผู้นำประเทศนี่แหละถ้าเราสามารถควบคุมจิตใจตัวเองรักษาพลังตัวเองเอาไว้โดยที่ไม่เสียไปกับการรักษาแต่พอรักษาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีอาการถึงนิดหน่อยถ้าโชคดีเจอคนใข้ที่มีใจดีคุณหมอรู้สึกสบายใจแล้วก็จะมีความสุข ในระหว่า ง, งารักษาแลว้วก็รักษาเสร็จแล้วคือคุณหมอที่มาจากไต้หวันเนี้เขาเปิดโอกาสให้คุณหมอที่มาจากกวางโจนได้ลองฝึกหัดที่จะดูแลพลังจิตตัวเองแม่มันเสียไปกับคนไข้ท่านจึงอ่อนน้อมถ่อมตน เวลาเวลาขณะที่รักษาเนี่ยคุณหมอที่อยู่ไต้หวันเนี่ยพยายาจะถามศาสตร์ต่างๆความรู้ต่างๆที่คุณหมอหวังโจกาลังรักษาผมคุณหมอที่อยู่กว่งโจท่านก็ใจกว้างรักษาไปก็อธิบายวิธีการรักษาเ้ือการต่างๆให้กับ คุณหมอที่มาจากไต้หวันฟังโดยละเอียดคุณหมอที่มาจากไต้หวันก็รับฟังได้อย่างความตั้งใจที่ความตั้งใจเนี่ราก็เวลารักษาเราทสองท่านรักษ า, าพร้อมๆกันเนี่ยช่วยรักษาเนี่ยสงสัยสังเกตดูอ๋อหมอสองท่านนี่เป็นระดับอาจารย์หมอเลยนะเนี่ย มีการถ้อยถีทะาสายพูจาอะไรต่งตางๆรู้สึกว่าเขาก็รักษาสบายสบายไม่เคร่งเครียดเราก็เห็นนะโอ้นี่ไม่มีอะไรนอกจากตัวตนตัวตนเนี่ยดูดูเหมือนจะน้อยน้อยมากต่างฝ่ายต่างก็ไม่แสดงตัวตนออกมาหมอที่อวุสกว่า ตัง้งแตเรียบร้อยรู้จักว่าเราเป็นผู้ที่ต้องเรียนรู้ก็ตั้งใจเรียนรู้อาการตัวตนที่มันไม่แสดงออกอย่างนี้ก็ถึงรักษาแบบสบายๆแล้วก็ดูว่าหมอผู้นี้หายากนะระดับอาจารย์หมอ เราสาพร้อมกันหนึ่งไม่มีปัญหาเลยน้อยที้อยอาศัยกันเนี่ยแสดงว่าตัวตนในคุณหมอทั้งสองท่านเนี่ยมันลดน้อยลงไปสามารถควบคุมไว้ได้แม้จะมีแต่ว่าสามารถควบคุมไม่ได้ดีมากเลยจนบุคคลภายนอกเนี่ยไม่เย็นอาจจะรู้ได้เพราะ้านี้เป็นสิ่งที่สำคัญ ให้กับญาติธรรมนี่ก็ลองพิจารณาดูนะถ้าตัวตนมากก็จะทุกข์มากเครียดมากแล้วก็จะยุ่งยากมากเพราะไอ้ติดติดไอ้ตัวตนเนี่ยถ้าตัวตนน้อยก็จะทุกข์น้อยถ้าไม่มีตัวตนเลยเนี่ยความทุกข์ไม่เกิดเราะนั้นจึงอยากแนะนําให้กับญาติธรรมทุกท่านเนี่ย พยายามที่จะลดละตัวตนของเราเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยลดละให้ได้ทุกวันทุกวันเริ่มตั้งแต่วันที่เป็นต้นไปก็สามารถทำได้คนในชีวิตประจำวั น, เ, นเราสามารถลดละตัวตนได้เราการเริ่มต้นจะมีความมีความเมตตายอยู่ในใจ จะทำอะไรู้จากเมตตาเมตตาคนอื่นแล้วก็เมตตาตัวเองรู้จักให้อาภายัยให้อาภัยคนอื่นแล้วให้อาภัยตัวเองถ้าป็นคนมีน้ำใจไม่เห็นแก่ตัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากไม่แบ่งเขาแบ่งเราไม่เอาตัวตน กับเราไปเทียบกับตัวตนมือนนะมันจิง ท, ทำให้ตัวตนนี้มันไม่สม่ำเสมอกันอันนี้สามารถลดละตัวตวนได้แต่ละวันเวนลาเล็กเวลาน้อยถ้ า, ามทุกวันมันก็ลดได้เยอะแล้วสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเราในธนที่นับถือศาสนาพุทธถ้าเราสามารถฝึกสติในจิตปรจําวันด้วย เมื่กไงทำห้ช่วยละตัวตนได้ไวามากการละตัวตนเนี่ยเราทำไปสักระยะหนึ่งช่วงหนึ่งเราจะรู้ว่าเราเนี่ยอิสระขึ้นเยอะมันจะเบาสบายอิสระเหมือนเราวางของหนักที่เราแบกเอาไว้มากมายลงได้เป็นบางส่วน สุดท้ายแล้วถ้าเราฝึกละอยู่ทุกวันลดละเลิกตัวตนทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยพราะชีวิตเราเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าจาะเปิดดวนไปข้างหน้าไม่ถอยหลังทุกคนย่อมหนีไม่พนเรื่องความตายอายุสุดท้ายของชีวิตเนี่ยถ้าเราฝึกลดละตัวตนไปมากๆแลว้วตัวตนมันก็จะลดลงไป แล้วก็ค่อยหายไปหายไปแม้จะยังไม่หมดแต่เราก็รู้สึกสบายขึ้นเราตบะจะตายด้วยจิตจะตายด้วยจิตใจที่เบาสบายนี่ยงกับนกที่มันบินไปตัวปล่บเปล่ากับปีกมันไม่เคยทิ้งร่องรอยอะไรไว้ในอากาศเลยถ้าเราสามารถฝึกได้นะเราจะมีโอกาสที่จะ มีชีวิต ท, ที่สบายแต่ปัจจุบันไปถึงว้าปลายของชีวิตการฝึกก็ต้องเริ่มต้นฝึกนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่ารออย่ารอเป็นร้าทีเดียวหมดเนี่มันยากเราจะวางของหนักทีเดียว <c oughs> มันยกผูเกาออกจากอกเนี่ยทีมันยากต้องค่อยๆแกะค่อยๆต่อให้กำลังใจกับดีทานะขอให้ ลดละตัวตนได้สำเร็จนะครัวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับ